ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไปเพื่อความเข้าใจหลักกรรมให้ชัดเจนมีจุดหรือแง่สําคัญบางประการที่ควรยําไว้บางข้อควรรู้ไว้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงในเรื่องกรรมบางเรื่องควรศึกษาโดยไม่ประมาทเพื่อเข้าใจหลักกรรมให้ครบถ้วนเพียงพอดังต่อไปนี้เรื่องแรก สุขทุกข์ใครทำให้ตามหลักพุทธพจน์ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยบุคคลจึงปรุงแต่งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารขึ้นเองบ้างเนื่องจากตัวการอื่นบ้างโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างและพุทธพจน์ซึ่งปฏิเสธทฤษฎีที่ว่าสุขทุกตนทำเองของพวกอตตการวาทะ และทฤษฎีว่าสุขทุกตัวการอื่นทรรมของพวกปรกการวาทะเป็นการย้ำให้มองเห็นกรรมในฐานะกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยตนเองก็ดีผู้อื่นก็ดีจะมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนเพียงใดย่อมต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามกระบวนการมิใช่ตัดสินขาดลงไปโดยมองเอาคิดเอาง่ายๆที่กล่าวมานี้เป็นการป้องกันความเข้าใจผิดสุดโตง ที่มักเกิดขึ้นในเรื่องกรรมว่าอะไรอะไรเป็นเพราะตนเองทาทั้งสิน้นทำให้ไม่คำนึงถึงตัวการและสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ดีต้องแยกความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งระหว่างหลักกรรมในแง่ตัวกฎหรือสภาวะกับในแง่ของจริยธรรมที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการแสดงในแง่ตัวกฎหรือตัวสภาวะ ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการตามธรรมชาติที่ครอบคลุมเหตุปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ในแง่ของจริยธรรมอันเป็นคําสอนให้ปฏิบัติผู้ที่ถูกต้องการให้ปฏิบัติก็คือผู้ที่ถูกสอนในกรณีนี้คําสอนจึงมุ่งไปที่ตัวผู้รับคําสอนเมื่อพูดในแง่นี้คือเจาะจงเอาเฉพาะตัวบุคคล น, นั้นเองเป็นหลักย่อมกล่าวได้ทีเดียวว่า เขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการกระทำต่างๆที่เขาคิดหมายกระทำลงไปและที่จะให้ผลเกิดขึ้นตามที่มุ่งหมายเช่นพุทธพ์ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นการเพ่งความรับผิดชอบของบุคคลโดยมองจากตัวเองออกไปในกรณีนี้นอกจากจะมีความหมายว่าต้องช่วยเหลือตัวเองลงมือทำเองแล้ว ในแง่ที่สัมพันธ์กับการกระทำของผู้อื่นยังหมายกว้างไปถึงการที่ความช่วยเหลือจากผู้อื่นจะเกิดขึ้นจะคงมีอยู่และจะสาเร็จผลต้องอาศัยการพึ่งตนของบุคคลนั้นเองในการที่จะชักจูงเราให้เกิดการกระทำจากผู้อื่นในการที่จะรักษาการกระทำของผู้อื่นนั้นให้คงอยู่ต่อไปและในการที่จะยอมรับหรือสนองต่อการกระทาของผู้อื่นนั้นหรือไม่เพียงใดด้วยดังนี้เป็นต้น โดยเหตุนี้หลักกรรมในแง่ตัวสภาวะก็ดีในแง่ของจริยธรรมก็ดีจึงไม่ขัดแย้งกันแต่สนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำความเข้าใจให้ถูก